พุทธิเกิดมาจุดนี่โอ้ยเขามีบุญหลายแล้วบุญมากแล้วมาไดีบุญยูุในบุญบ้อกบ้านเก่าดีบุญมาได้บุญยูดีบาบขาดทุนแลกูุจลป้อยูในบาบไปแบบตัวท่ายคนใจบาบคือหลักโลกสองตัวใหญ่ๆนั่นอันหมอนะโลกหมอนใหญ่โลกมาจากไส่ลำด้วยหลักมาจากใสสวยงามปัญหาเรื่มของบ้านเขาอยู่กับหลักกับโลก เมืองไทยเมืองพุทธเพียงแต่ม่โคดโกงกันหลอกลวงกันปิ่นป้อนกันขี่ตัวกันต้มตุนกันอันนม่รับพุทธศาสนายินหัวใจเ่ากล้าต้มตุนกันหรอกผู้เสือเพรากล้าเสือผู้อื่นดอกต้องเสือพระพุทธเจ้าเห็นบนข้าวหรอกเวื่อบนเหตุทหารในฉันในเรื่อยจากมือน่อทุกมือทุกมือไปลงทุนหนามาเหตุมาเหตุแล้วผมมาเอาใจฟ้อกร้องกันได้เจ้าเดกล้ากล้าตั๋วกันอ ผู้เสียไปยังไม่กลาสเสียแต่จงบัดถือคติไว้ใจเชื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจนใจตัวเดี๋ยวจะพบประเสศน่องอยู่บ่ไหยังคือขาดกาันทาบุญดังเดียวว่าก่อใจเรื่องทพอพาบุญจดว่าพระเจ้าพระสง์มีจักรูปประเสศให้พระสงฆ์เปนพวบอกย่อมทาบุญเนาะแตพระสงทุถกลูกบอกย่อมทำบุญย่มเดี๋วบ่หลงปนนี่เด้ มีสมาธิมีควบเฉลียวตลาดคติสมาธิปัญญานั่นมาจากตัวปัญญานี่สําคัญที่สุดอันเทาบอมีสมาธิหรือบ่กมีการทั้บุญทั้งบุญคือทํางให้คิดนิง่งคิดนิ่งก็คือทําสมาธิแต่ตีออกคกฎหมายภาวนาก ต, ตีได้ท่านศีลภาวนาท่านศีลภาวนาตกแปออกภาวนาท่านศีลบุญต้องติเข้าใจนี่คนไม่เข้าใจเรื่องทําบุญเนี่ย ก็เลยพาการเอาของไปถวายพระว่าท่ำบุญท่ำบุญท่ำบุญแต่ที่วัดนั่นมันก็เลยคิดว่าเจ้าของท่ำในใจสมองแก่นี่บ่เกิดสมาธิปัญญาท่ำบุญคือท่ำในจิตนิ่งมึงร่มเข่าร่มออกแกนนั่นถ้าพอมีร่มตายแล้วคนเห็นบ่นั่นอาหารของใจนั่นเครื่องรักษาใจคือร่มถึงโมเบวลถึงโมแตงกใจนิ่งใจสงบเห็นร่มโดนโดนเข่าโดนเขเกิดสมาธิเกิดปัญญามีพว่มรอบลูกพีทถูกบากบุญ ่ากล้าตัวค้อนนอกแล้วก็บ่กล้าเสื้อค้อนหอกบัดเพราะว่าญาณบาปเาติเขาทุกนั่นอันนี้เขางพ่อจากบาบุลก็บาปเป็นที่ไหนได้บักขเพาะห้อบ่เคยเห็นบุญถ้าเล่ไปตีว่าล่ำลุวยก็สวยงามเป็นบุญกันได้บัดเอาธรรมะของพระเจ้ามาแปลล่ำลุ้ยสวยงามเป็นบาปด้นั่งลุยไม่แล้วเขามายืมยืมบ่ได้มาทรงฟังร้องกันทุกใจบ่บัดถามสอเตืยสามเตีอเตียสี่เอามือปืนมนั หายเขาบอกหายเดิมแล้วมีหนังก็ไปจำน่องจองจำมีบ้านกับจำน่องมาหายมีทีดินกับไปหามาจำมาหยหมอกัวันบอกหายก็ยิ่งกันแล้วเป็นทุกข์เพนเป็นนารบกวนสวยงามคือกันไปมัดมันกันเลยดาล่าโกโก้เก๋เก๋ไปมาหึงกันห่วงกันสอาเดือนเตียงหักันว่ามาสาวเหตุจากกันได้เพราะถึงกัน กูยิ่งว่ากับกูไส้ว่าได้กูไส้ว่ากับกูยิ่งก็บ่ได้กลับมาบ้านบ้านแตกสแหลกขาดเป็นเหมือนร น, น, นรกบอสวรรค์ได้บัดเพิ่งร่มขอร่มบอกมันนั่งมังลูกเหมือแร่เดี๋ยบัดมาบังสวรรค์บังขับธมาที่ดีๆบังขับยิ่ดีดจใจมันชงแสายไปพุ่นไปพี่